พุทธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะก็จะให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าถึงคําสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้เป็นพุทธวจนะหรือพุทธพจน์เนี่ยนะคะกันในรายการนี้ที่ชื่อว่าสัสนิสนทนาโดยมีดิฉันสันสนิยนนาพงนะคะที่จะเป็นผู้ดําเนินรายการทุกวันรเสาร์สบสดีและวันศุกร์พระอาจารย์ไพบูรลอภิปุณโณ น, นะคะจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีจะเป็นผู้ยกเอา ทำประสาสดานั้นมาตอบคำถามที่ดิฉันได้กราบเรียนถามท่านช่วงนี้อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนทุกทรมานกันมากก็แล้วแต่ว่าจะใช้ชีวิตในหน้าที่การงานกันอย่างไรคนที่สบายสบายแล้วเนี่ยยันเข้าใจว่าก็ยังมีความทุกข์กับการที่เวารถไปจอดแล้วก็รถมันจะร้อนเหมือนเตาอบเลยเวลาเข้าไปในรถทีถ้าหากว่า ยังไม่ได้ทิ้งกันจนกระทั่งความร้อนมันคลายลงในขณะที่เราร้อนมากเนี่ยเราต้องมองไปทางคนที่เขาแยกกับเรานะคะเขามีความจำเป็นเนี่ยต้องยืนกลางแจ้งเช่นผู้ที่ประกอบอาชีพรับจอดรถอ่าก็คอยโบกรถเข้าไปที่จอดรถจา ก, กี่โมงก็แล้วแต่ก็ต้องยืนจอดยืนโบอกอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ายังเย็นไม่พอเดี<笑><笑>๋ยวว่าไม่รู้พระพุทธองค์จะช่วยคลายร้อน เราได้หรือเปล่าก็ไปกราบเรียนถามถ้านอาจารย์ไพบูลก็แล้วกันนะคะกราบน้มสักการณกันทั้งค่ะอ๋จาร่์แต่ว่าข้อหนึ่งที่ช่วยคลายาร้อนได้แน่นอนเลยค่ะเพราะพระพุทธเจ้าใช้ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่แล้วก็ถึงแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังใช้อยู่ก็คือตอนนั้นในฤดูร้อนก็อยู่กลางแจ้งในฤดูร้อนอยู่กลางแจ้งแล้วอยู่ได้อย่างไงอยู่ด้วยคุณธรรมอะไรคุณธรรมที่ทําให้ พระพุทธเจาตอนเป็นบริษัทอยู่ในที่กลางแจ้งร้อนๆแดดจะจัดได้เนี่ยก็คือความอดทนความอดทนเป็นคุณธรรมมาหนึ่ง <Okay. S 1> ที่ถ้าเราทรงไว้ในใจแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นเลเวลอะนะคุณยมติวตาถ้าเรามีระดับเลเวลของความอดทนสูงในะอุณหภูมิที่เราจะทนไม่ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นไปมากขึ้นสูงตามค่ะ <Okay. S 1> ซึ่งเป็นอย่างที่เป็นคุณธรรมของภิกษุลราเป็นผู้อดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวแตนะไม่ใช่แค่ร้อน อย่างเดียวหนาวด้วยหิวด้วยอ ด, อดทนต่อเหลือบยุงลมแดดพวกนี้นี่คือความอดทนก็เท่ากับว่าธรรมะของพระพุทธองค์นี่คืออดทนใช่ที่จะช่วยได้ในข้อนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงนะคะว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงใช้ความอดทนกับเรื่องของความร้อนด้วยแล้วก็ทรงสอนให้เราสาวกเนี่ยคือผู้ฟังคําสอนทั้งหลายเนี่ยฝึกในการที่จะอดทน ค, ความความอดทนนี้ไม่ใช่หมายก็ว่าคุณจ้อง แบบไปแช่อยู่ในแดดร้อนๆนะนะไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเบอกว่าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นก็อย่าบ่นอย่าบ่นมากอย่าบ่นจนกระทั่งทําสิ่งที่เป็นอกุศลธร้วออกมาคือบางคนร้อนแล้วก็ด่าคนข้างๆหรืออารมณ์เสียอดทนเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องไม่เก็บกดสิ่งที่เป็นความไม่ดีเอาไว้อดทนกับเก็บกดนี่คนละเรื่องกันเลยเพราะว่าความเก็บกดเนี่ยคือคุณเก็บสิ่งที่เป็นอกุศลธร้วเอาไว้ นะังเก็บเอาไว้เก็บเอไว้เก็บไว้ถึงวันหนึ่งมันจะระเบิดตู้ออกมาแต่แต่ความอดทนเนี่ยไม่ได้เป็นการเก็บอกุศลธรรมเอาไว้ัตนแต่ความอดทนเนี่ยเป็นคุณธรรมหนึ่งที่เราทรงเอาไว้แต่นี้ความอดทนเนี่ยถ้าบอว่ามันมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นเช่นหงุดหงิดนะความหงุดหงิดนี่เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเป็นลักษณะของนิวรณ์เป็นเรื่องกางกันใช่ไหมไเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายเราต้องละออกไปต้องละสิ่งที่เป็นอกุศลต้องทรงความอดทนเอาไว้ นี่คือสิ่งที่ต้องทำนะคะเขาเรียกว่าไม่ร้อนด้วยหรือว่าอยู่กับความร้อนได้อย่างได้กุศลด้วยว่าอย่างนี้ดูกว่เดีบานค่ะท่านคะวันนี้ที่ฉันมีคำถามซึ่งดูก็เหมือนเป็นคำถามพื้นๆแต่ว่าเดี๋เมื่อพิจารณาต่อนีน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องพะกับมูสะทะ ฟังดูแล้วบางคนอาจจะคําเลยก็ได้ว่าดิฉันมาพูดอะไรตลบตลบหรือเปล่าคำถามนี้ไม่ใช่ดิฉันตั้งขึ้นมาเองนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือซึ่งเคยเป็นผู้นำองค์กรสำคัญสคัญมาเนี่ยก็ถามดิฉันบอกว่าเอ๊ะพระนิฉันหมูกระทะได้หรือเปล่าดิฉันงงเลยนะคะท่า น, งงนะคะ <c oughs> ก็ถามรายละเอียดว่าอย่างไรหรอคะทราบว่าในการเลี้ยงพระเนี่ยคะ่ะทางคณะเจ้าภาพโดยตัวแทนผู้จัดหาอาหารเนี่ยก็ ได้เลือกเอาหมูกระทะมาเป็นอาหารที่จะเลี้ยงพระสงฆ์ติดต่อกันหลายปีนะคะคือเหมือนกับว่าปีหนึ่งก็คงทำบุญอครั้งหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าทำต่อเนื่องเนื่องจากได้พบว่าพระสงฆ์ชันได้คือชันได้ไหมายถึงชันได้มากก็เข้าใจว่าพระสงฆ์น่าจะชอบอาหารชนิดนี้ พีเชื่อจินตนาการของการรับประทานหมูกระทะทจริงก็ไม่เค่อด้ทานวอยนักแต่เข้าใจว่ากระบวนการทานหมูกระทะที่พวกเราเข้าใจจะคล้ายๆกันคือเหมือนจะมีเตาย่าง อ, อ, อ, อ, อ, อแล้วก็มีหมูสดๆหันไว้ใช่ไหมคะเวลาจะรับประทานต่างคนต่างก็หยิบจิ้มเอาไปปิ้งๆแล้วก็เอามาใส่จานใส่ผักใส่นู่นใส่นี่ปรุงรสโอเคค่<ท>ะให้อธิบาบอกที่ถูกก่อนนะว่าที่ถูกเ <ทะ S 1> นี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าสมมุติ <ทะ S 1> ว่ า, ามีคนที่ศรัทธาเขาจะถวาย หมูกระทะนะอันดับแรกหมูที่เอามาเสิร์ฟประเเกนให้พระเนี่ยก็ต้องสุกแล้วนะัแล้วถ้าเบอกว่าจะให้พระมาอุ่นที่มีเต า, ม, เตามีกระทะอันนี้ไม่มีปัญหาอันี้ถูกสามารถทําได้นะแตคือต้องเป็นหมูที่มันสุกแล้ ว, แ ล, วนะแล้วก็เอามาให้พระพร้อมกับกระทะนะพระจะมาปิ้งบนกระทะเพื่อให้มันอุ่นหรือว่าจะปรุงรสอะไรไปลักษณะนี้ก็พอผ่านไปได้อ๋อค่ะหมายความถ้าอย่างนั้น ถ้าตอบให้เข้าใจแบบเอาไปประยุกต์กับอย่างอื่นได้คือว่าเนื้อสดห้ามถวายพระแค่นั้นเองจ้ะทราถวายได้ไหมคะคือเหมือนกับว่ามางที่โยมไม่รู้อะค่ะในกรณีอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าญาติโยมก็ไม่รู้คือโยมไม่รู้อันนี้พระต้องให้ข้อมูลไง อ, อ๋อค่ะก็คือของที่ดิบเ น, เนื้อดิบพวกเนี้ยพระก็จะไม่รับประทานรับประทานไม่ได้คือรับมาเนี่ยเหมือนแล้วมันก็ต้องมาปรุงไงต้องมักต้องมาทํากับข้าวอ่ะเหมือนทํากับข้าวซึ่งซึ่งมันก็จะมันก็จะไม่ถูก อ๋อคือหมายความว่าสองอย่างถ้าเข้าใจโดยหลักเนื้อสดเนื้อสดเนี่ยถ้ารับมาใช่ไหมรับมาเสร็จแล้วกินอันนี้กินไม่ได้แต่ถ้ารับมาแล้วยังไม่ได้กินอันนี้ก็รับมาได้อยู่แต่คุณไม่ได้ทําอะไรแต่ถ้าถ้าคุณจะกินอ่านนี้มาทําให้สุดนี่แถบที่สองแต่ว่าเป็นการปรุงอาหารทําอาหารเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงมีพระวินัยห้ามไม่ให้พระปรุงอาหารอย่างนั้นหรอคะถูกต้องไม่ให้เก็บบริโภคสะสมคือตอนนั้น พระอา น, นุ์เนี่ยต้มข้าวต้มถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ตอนนั้นพระพุทธเจ้าป่วยท่านพระอา น, นุ์ก็เลยเอาเข้าวต้มเนี่ยมามาต้มเองถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทราบท่านก็ไม่ฉันแล้วก็ไม่ให้ท่านพระอานุนทําอีกแล้วก็เลยบัญญัติกฎข้อนี้ขึ้นมานพระสงฆ์นี่ฉันได้เฉพาะเวลาที่มีคนเขาปรุงมาถวายเท่านั้นใช่จริงๆเป็นรูปแบบของการไปบิณฑบาตซึ่งบิณฑบาตเนี่ยรับแต่อาหารที่ที่พร้อมที่จะบริโภคได้อ๋อค่ะ แต่ว่าในตอนแรกที่ท่านได้ตอบคําถามใหม่ๆท่านบอกว่าถ้าผู้ถวายนั้นถวายหมูที่ทํามาสุกแล้วและพระมาอุ่นพร้อมๆกับอุปกรณ์เตาเตาที่เขาวางมาให้นี่ได้ใช่ไหมคะได้ได้ได้ท่านเขาทีนี้อ่าในกระบวนการสมมุตินะคะหมูเนี่ยทำให้สุกแล้วแต่หมูกระทะต้องรับประทานกับผักอถ้ามีการนําเอาผัก ไปย่างให้นิ่มๆขึ้นด้วยเนี่ยได้ไหมคะดโดยพระสงค์ทำเอง ค, อคืออันนี้สามารถทำได้คิดว่าเพราะว่าข้อที่หนึ่งผักเนี่ยบริโภคสดๆก็ได้หรือคุณจะเอาน้ำร้อนมาลวกผ่านความร้อนอันนี้ก็มาทำาภายหลังไม่มีปัญหาแต่นะปัญหาคือหนึ่งเนื้อดิบสองคุณเอามาปรุงเอามาเหมือนทำกับข้าวอะน ะ, ะอันนี้มันก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่า เ, เรื่องของการบริโภคสาหรับพระสงค์ นี่ยก็คือเพื่อที่จะระ ง, งับเวทนาเท่านั้นค่ะเนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะความประดิ อ, อร่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้แล้วในในส่วนของเจ้าภาพเองนนในส่วนของเจ้าภาพเองเนี่ยต้องทําความเข้าใจด้วยว่าถ้าสมมติคุณต้องการได้บุญมากใช่ไหมคุณจะมาดูแค่ว่าเฮ้ยพระกินได้มากจนจะได้บุญมากอันนี้ไม่ใช่เป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าพระชอบกินอะไรหรือคุณถวายของที่มันถูกกิเลสพระเออมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าผู้รับ นะมีราคาโทรศัพ์โมหะน้อยหรือมากแล้วก็ผู้ให้มีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังหรือเปล่านะนี่มันเกี่ยวข้องกัน ส, สามประเด็นของผู้ให้นะสามข้อของผู้รับนะอันนี้จะทําให้เป็นเรื่องของอการได้บุญมากหรือน้อยแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเอาละเอียดลงไปอีกนะอาหารที่เอามาถวายเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะการเบียดเบียนสัตว์ต่างๆช <Okay. S 1> นี่ถ้าเิยจะต้องการให้มัน ละเอียดลึกซึ้งลงไปนะสำหรับผู้ที่จะามาถวายค่ะาบางทีคนถวายเนี่ยก็จะตั้งใจน ะ, ะโอ้คิดอยู่ตั้งหลายวันจะถวายอะไรประสงดีนะต้องวันนั้นสังเกตนะท่านชั้นนี่มากคิดเอาละว่าบวเนนใช่ไหมคะก็คงจะชอบไอติ ม, อมชอบทอฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยจะใส่ เ, เข้าไปให้ขนมขบเคี้ยวดิคิดว่าส่วนใหญ่คนที่จะ ถวายของเนี่ยจะตั้งใจมากอืต้องต้องคิดอย่างนี้ดีกว่าสมมุติว่าพระภิกษุเนี่ยหน้าที่ของพระภิกษุเลยเนี่ยนะที่พระบรมศาบัญญัติเอาไว้สําหรับภิกษุเนี่ยก็คือว่าการปฏิบัติตามคําสอนหนึ่งสองการปฏิบัติเพื่อให้รอบรู้เรื่องทุกข์หนะักบวชมาทําไมสอนให้ตอบเลยนะติวเข้มกันว่าให้ตอบเลยว่าบวชมาเนี่ยเพื่อรอบรู้เรื่องความทุกข์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมอันนี้สําคัญสําหรับผู้ที่บวชมาแล้วถูกไหมผู้ที่บวชมาแล้วคุณจะปฏิบัติธรรมเนี่ย <nephew. S 1> อะไรที่มันจะเป็นความสบายต่อการปฏิบัต e ิธรรมความสบายต่อการปฏิบัติธรรมขึ้นนึงเรื่องสถานที Defense ่ต้องมีความสบายต่อการปฏิบัติธรรมเช่นต้องอยู่หลีกเล่นต้องไม่กรุกคลีกันต้องเป็นเสนาสนะที่มีอากาศไทยเทสะดวกนี่คือลักษณะของสถานที่สปายะที่สําคัญอันหนึ่งก็คืออาหารสปายะอันนี้ก็เกี่ยวอาหารสปายะอันนี้เป็นเป็นความสปายะอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ด้วยแลอาหารสปายะอาหารที่บริโภคแล้ว จะเกิดเบทนาน้อยอันนี้เราควรจะพิจารณาอาหารประเภทนี้เนี่ยนะที่ที่เราบริโภคแล้วจะเกิดเวทนาน้อยเพราะฉะนั้นคนจะต้องคิดว่าเออจะสัปปายะกับอะไรแต่ในเรื่องนี้ก็มีมินิทันในสมัยพุทธกาลอ่ะคุณยมติวที่มีอุบาสิกาท่านหนึ่ง เ, ออเขาเขาสามารถรู้จิตของพระได้ว่าพระองค์นี้ชอบกินอันนี้พระองค์นี้ชอบกินอันนี้เขาก็เลยเอาอาหารแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยมาถวายพระองค์นั้นองค์นั้น แต่ปนะรากว่าพระองค์นั้นองค์นั้นได้รับอาหารเป็นที่สบายนะคือเขาเรียกว่าอาหารส ป, ปายะนะก็สามารถบรรลุกุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปได้เดี๋ยนี้ไอ้คำว่าเป็นที่สบายเนี่ยไม่ใช่ว่าอร่อยปากนะอันนี้จะต้องเข้าใจแล้วคือเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างอัลมาสมัยก่อนทุกวันนี้ก็ยังชอบของทอดอย่างเงี้ยเฮ้แต่กินของทอดแล้วมันมีเวทนามากอร่อยลิ้นเราเนี่ยแต่มันไม่ถูกกระทาเนี่อันนี้มันก็ต้องคนละประเด็น อย่าง น, นี้เป็นตอนเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอันนี้ต้องเป็นกรณีที่ลองๆเลยที่ทมาพิจารณากรณีแรกๆเลยถ้าสมมติคุณต้องการถวายเพื่อที่จะหวังบุญหวังผลในการปฏิบัติของพิษุรูปนั้นรูป น, น, นั้นก็คือเรื่องของความสัพยะในเรื่องอาหารซึ่งเราก็ต้องดูที่ตรงจุดที่เป็นเวทนามันจะเกิดเวทนาเบาๆเพราะฉะนั้นถวายอาหารที่มันจะไม่หนักในความเป็นธรรมานะอาหารที่มันจะเบาๆอันนี้มันจะดี ค่ะพิจารณาในแงให้สอดคล้องกับการที่ท่านจะเจริญในธรรมจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าคําว่าสัปายะนี่หมายความว่าในการประพฤติปฏิบัติถูกไหมคะสะดสบายคำว่าสัปายะนี่หมายว่าเป็นที่สบายเป็นที่สบายกับการประพฤติปฏิบัติใช่ก็จะมีสถานที่นะเขาเรียกว่าเสนาสนะสัปายะอาหารอันนี้ก็เป็นอาหารสัปายะแล้วก็เรื่องของบุคคลนะบุคคละสัปายะ เช่นมีครูอาจารย์สอนไม่มีเพื่อนกัลยาณมิตรสาธมิกที่ปฏิวัติดีปฏิบัติชอบอยู่ด้วยกันเป็นบัณฑิตอย่างเงี้ยนี่นเป็นปุ่นเป็นต้นค่ะทีนี้ก็เท่ากับว่าไม่ต้องเป็นกังวลถ้าหากว่าโยมนั้นได้ถวายหมูที่สุกแล้วแปล ว, ว่าโอเคแม้จะมีอุปกรณ์ช่วยในการอุ่นบ้างก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรขออย่าให้เป็นเนื้อที่ดิบก็แล้วกันแล้วก็ในส่วนของผู้ให้นั้นได้บุญหรือไม่ก็อยู่ที่ว่า ก่อนระหว่างแล้วก็หลังเนี่ยมีศรัทธาเต็มที่หรือเปล่าและเนื้อนาบุญคือพระผู้รับนั้นเป็นผู้ที่มีศีลดีหรือไม่ใช่นะคะศีนมากก็จะได้บุญมากดิฉันเข้าใจว่าท่านที่ถามในท่านเคียงติดใจอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเหมือนกับตัวท่านเองเป็นคนที่เวลาจะถวายของพระก็ประีตอ่าแล้วก็เห็นว่าพระจะต้อง มีอาหารสับปายะอย่างที่ท่านว่านะคะก็จะถวายผักดีๆผักผัดเลือกผักผัดเนี่ยจะผัดไปล่วงหน้าก็เกรงว่าเดี๋ยวผักชนิดนั้นคือผักผัดล่วงหน้าแล้วดําอะค่ะอ๋อสงสัยจะเป็นผักบุ้งอ่าก็เลงเอาว่าพอพระจะฉันแล้วเอาลงกระทะแล้วรีบมาถวายเลยอืมอนะคะแล้วบังเอิญพระสงฆ์ก็ฉัน แต่มูกระทะอืท่านอย่างนี้ถ้าเจตนาเต็มที่อย่างนั้นเนี่ยเราได้บุญมากไปตั้งแต่ตอนให้แล้วถึงแมก่อนทำก่อนก่อนให้เนี่ยซึงก็ได้บุญละตรงนี้แน่นอนพระฉันไม่ฉั้นไม่เป็นไรอันนี้คือเรารับได้เต็มที่แล้วตั้งแต่ก่อนแล้วค่ะแล้วถ้าเราเกิดเสียได้ยเลยครแม่เสียได้อุตส่าห์ตั้งใจทำแท้ตายล้วเกิดเสียได้ความเศร้าหมองมันเกิดค่ะคือต่อให้ก่อนให้เนี่ยเรามีศรัทธาพอระหว่างให้เราก็มีศรัทธาแต่พอหลังให้ไป มาเห็นว่าอ้าวทำไมท่านไม่ฉันเลยมีความเศร้าหมองอันนี้มันได้บุญไม่เต็มแต่ต่อให้เราเห็นว่าสาธเตมกับท่านอต่อให้ต่อต่อให้เราเห็นว่าท่านไม่ได้ฉันแต่เรายังดีใจว่าเฮ้เราได้ถวายเราได้มีโอกาสทํำไอความคิดแบบนี้ถึงจะถูกค่ะอืนี่ถวางจิตไม่เป็นไม่ได้บุญเลยสิคะไม่คือคือไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญเศร้าหมองสามสับนี่คือเศร้าหมองได้บุญอยู่ก็สามส่วนใช่ไหมคือจะบอกว่าได้ สองส่วนก็จะพูดได้ไม่เต็มเพราะว่าส่วนที่สามก็ได้ไหมได้อยู่ในหลังเนี่ยนะได้แต่มันเศร้าหมองอ๋อค่ะ ค, คือเหมือนบบคุณได้ได้เพชรแต่ว่ามันมันไม่แวววาวเหมือนสองเม็ดแรกอย่างเงี้ย น, นะอ๋อค่ะนะคะเพราะนั้นก็เมื่อเข้าใจแล้วน่าจะสบายใจมากยิ่งขึ้นว่าเราได้ทำถูกแล้วซีนี้ถ้าจะถามเป็นเป็นเรื่องอะไรคะ พระควรฉันอะไรก็ท่านตอบไปแล้วนะคะฉันอะไรที่ไม่ผิดวินัยและเป็นสัพพายะใช่ใช่เร ก, ก็วิธีพิจรนารณาแล้วจึงฉั น, นนี้พระพุทธเจ้าให้ให้ไว้อยู่แล้วค่ะแล้วส่วนโยมควรจะถวายอะไรก็ได้บอกไปแล้วเช่นเดียวกันใช่ทีนี้ที่จะขยายผลให้ยิ่งขึ้นไปค่ ะ, ะสําหรับการที่เราทําเนี่ยจุดประสงค์แน่นอนเพื่อที่จะหวังบุญหรือเพื่อที่จะทําการบูชาหรือว่า เพื่อที่จะกการทำการอนุเคราะห์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีนี้ในเรื่องสิ่งของภายนอกเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของอามิตบูชาเป็นเรื่องของทางอามิตภายนอกไม่ว่าคุณจะทําอาหารถวายสร้างพระพุทธรูปหรือว่าสร้างเสนาสนะอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งภายนอกอันนี้ทําได้ก็ไม่มีปัญหา ด, ดีแต่ทีนี้สิ่งที่เหนือขึ้นไปอีกก็คือเรื่องของการปฏิบัติบูชาอาจารย์มาต้องจะเปรียบเทียตรงนี้ว่าสมมุติว่าคุณมาทํามาผัด นะหรือว่าทำอะไรอย่างประนีก็ตามแต่ถ้าต้องมีการด่ากันแล้วทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นนะว่ากันเสียดสีกันนะแซงหน้าแซงหลังกันอันนี้ไม่กวนมากๆมไม่ควรมากๆแต่ถ้านะเปรียบเทียบกันนะเปรียบเทียบเอาอะไรง่ายๆนะคุณซื้อมาเปิดห่อปุ๊บก็างเลยนะแต่ว่าทุกคนสามัคคีร่วมมือกันนะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันรับส่งกันเอออันนี้มันดีกว่า ก็เข้าใจนะคุณโยมตือเข้าใจที่อะไรามาพูดนะค่ ะ, ะคือเราเน้นเรื่องของการที่เราจัดกิจกรรมนี้ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยให้มันมีธรรมะอยู่ในกิจกรรมนี้นะ่ยไม่ได้เน้นว่าอาหารจะอร่อยหรือไม่อันนี้ให้เห็นเป็นเรื่องรองๆเถอะค่ ะ, นะะถ้าสมมติว่าตัวอ ย, อย่างที่ท่านว่านะคะในส่วนของการที่สามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในอาหารที่ต่างคนตั้งใจนํามาดีแล้วเนี่ยกุศลเป็นอย่างไรครท่านคะเกิดทุกไหนคะหมู่ตรงนี้หมู่ หมู่คณะที่ทําทั้งหมดเลยทั้งผู้รับและผู้ให้ก็เรียกว่าสงสงแปลว่าหมู่แต <Okay. S 1> นะเป็นสงสาวกคือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคคือพระขวา้าอันนี้ <Okay. S 1> ที่ปฏิบัติ ด, ดีด้วยนราะฉะนั้นห oh. มู่เนี้ยเห็นแล้วจะเจริญใจนะใครเห็นแล้วจะเจริญใจคนข้างนอกเห็นก็เจริญใจคนในกลุ่มเห็นก็เจริญใจพระบุตรเจ้าถ้าเห็นกลุ่มนี้เขาทํากันอย่างนี้อาหารก็ธรรมดาธรรมดานะไม่ได้ประณีตมากแต่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันท่านก็จะดีใจ ค่ะอันนี้คือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติดีดูจากอะไรดูจากคุณธรรมต่างๆที่ในจิตใจของแต่ละดวงแต่ละดวงมีค่ะพอเราได้มีส่วนในการทําแบบนี้ร่วมกันกับคณะของเราปุ๊บจากการที่ก่อนถวายเราเป็นธรมธรมดาธรรมดาอืเราก็จะกลายเป็นหมู่ที่เป็นหมู่ของผู้ฟังคำสอนอที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยตรยยีญา แ, แล้วหมูแบบหม่แบบเนี้ยหมู่แบบเนี้ยเป็นที่พึ่งได้ ในที่ผู้รู้จักบอกว่าสังฆสารนาังขชามิเนี่ยนะค่ะคือมีสง์คือหมู่เป็นที่พึ่งหมู่คณะแบบเนี้ยเอจัดงานบุญที่ไหนหรือว่าทําอะไรมันดีเป็นที่พึ่งที่แบบจิตใจเขาจะมารวมกันอยู่ได้เป็นที่ระลึกถึงเก็จะถามอีกว่าเมื่อจะจัดอีกเมื่อไรจะทําอีกเมื่อไรก็จะถามอย่างนี้อยู่เรื่อยแสดงว่ามันเป็นที่จิตเราจะเล่นไปสู่ได้อันนี้ดีอย่างนี้เท่ากับว่าเป็นสังฆสารนาังขชามิด้วยถูกต้องเลยถูกต้องเลย ออดิฉันยังนึกว่าต้องพึ่งท่านอาจารย์เพบูรณ์อย่างเดียวเลยค่ะเนี่ยสำัสรงนังช้าัคือบทนี้ชนะตรงนี้ไม่ได้มีคำว่าภิกษุเลยไงสงเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าหมูค่ะเนี่ยซึ่งหมูนี้หมูอะไรล่ะภิกษุภิกษุณีบาโสบาสิกาค่ะมันก็ด้วยกันทั้งหมดท่านค่ะอย่างนี้เป็นรากเป็นที่มาของดิฉันเคยท่องพุทธศาสนสุภาษิตบทที่ว่า สุขาสังคสสะสามัคคีเป็นรากเง่ากันไหมคะถูกต้องถูกต้องอันนี้แหละค่ะเนื้นสอสุขาสังคสสะสามัคคีนี่เป็นพุทธพจน์ไหมคะใช่ใช่นี้เป็นพุทธพจน์โอ้ค่ะนะคะดังนั้นใครที่เคยท่องสุขาสังคสสะสามคัคคีความสามัคคีของหมูก่กาให้เกิดสุขตอนที่เราเป็นเด็กนี่วันนี้เราได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะว่าอ๋ออันนี้มาจากคําว่าหมู่นี้เองและก็สืบเนื่องกับ สังคังสารนังคัาฉามใิใช่ๆค่ะสารนังคาฉามิปแปล ว, ว่าเป็นที่พึ่งถูกต้อง ค, คือต่อมาต้องการจะให้เปรียบเทียบอน ะ, ะว่าถ้าสมมติเรามีการติชินนินทาหรือว่ากีดกันกันทำไมชั้นเธอร์ทำอร่อยกว่าชั้นชันทำไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ดีต่อให้อาหารดีก็ตามอนะะก็ต้องเปรียบกับมาถึงจุดที่ว่าหมู่ที่ปฏิบัติดีสามัคคีกันเนี่ยมันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทุกคนร่วมมือกันจะมีเนื้อไม่มีเนื้ อ, ไ ม, มอไม่ได้ดา่ากันมากกันอันนี้มันดีแน่นอน ค่ะดีตรงนี้ก็ดิฉันก็เข้าใจว่าผู้ที่ถามเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีเพียงแต่สงสัยใขรร้รู้ใครรู้จริงๆว่าอะไรดีที่สุดสําหรับพระแล้วทําอะไรถูกที่สุดค่ะใช่ไหมพอดแล้วก็ที่ดียิ่งไปกว่านั้นน ะ, ค, ะคือแน่นอนว่าในกระบวนการที่เราเตรียมเรื่องเกี่ยวกับปากท้องเนี่ยเราก็มีคุณธรรมละระดับหนึ่งนั่นคืออย่างน้อยมีสัมมาวาจามีเมตตาการใช่ไหมแล้วในเรื่องของการปฏิบัติคือมื้อเดียวมันก็จบล ะ, นะะหรือว่าแค่คราบเดียวแล้วที่เหลือเนี่ย แล้วก็ใช้เวลาในการปฏิบัติปฏิบัติบูชาอาจจะสาธยายพระสูตรอาจจะนั่งสมาธิมีการสากระชาธรรมมากกานในกิจกรรมอื่นๆก็เน้นไปในจุดที่ให้เกิดมีการปฏิบัติมีการธรรมะมากยิ่งขึ้นอันนี้จะยิ่งดีค่ะทีนี้สมมติว่าหมู่คณะนี้ตั้งใจสวดมนต์นะคะแล้วก็ได้ยินมาว่าสวดมนต์บทอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนเนี่ยล้ําเลิศแต่ อีกคนหนึ่งก็บอกบอกว่าไม่ใช่หรอกมีคนเขาบอกว่าพระอาจารย์องค์นั้นองค์นี้บอกว่าแค่ส่วนอิติปิโสอย่างเดียวให้ครบร้อยแปดจบให้เท่าจํานวนอายุหรือเกินอายุหนึ่งจบถึงจะถูกต้องได้ผลมากกว่าอืมขัดแย้งกันแล้วคะ่ะสรุปแล้วทําอย่างไรถูกต้องดีคะอก็ให้สามัคคีกันอะสามัคคีกันสามัคคีกันหมายความว่าอสมมติถ้าอีกคนหนึ่งมีความเห็นอย่างนี้เอ๊ะแต่มันจะต้องพูดกันมากไป เพื่อให้มีการโต้แยง้งอันเรายอมเขาแล้วก็สามเมื่อกี้กันอันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกจะกี่จบแต่บทก็คือว่าเ อ, อ่อสวดแล้วเข้าใจไหมสวดแล้วเข้าใจความหมายจําความได้จิตให้เป็นมีปีติมีสุขมีสมาธิอันนี้สำคัญมากกว่าค่ะดิฉันเองก็เพิ่งถูกถามมาว่าเอ๊สวดยังไงถูกนะคะก็จะมากราบเรียนถามท่านให้ขยายความชัดๆอีกทีนึงว่าเอ่อที่ท่านได้กล่าวมาเนี่ยอืแต่จริงๆแล้ว อิติปิโสร้อยกว่าจบจะสู้ส่วนอิติปิโสสวาคขาโตสุปฏิปันโนจํานวนเท่ากับส่วนอิติปิโสได้อย่างไรคะท่านคะเนี่ยเพราะเพราะว่าในส่วนอิติปิโสสวัคขาโตสุปฏิปันโนนี่ไม่ได้พูดแค่พระพุทธเจ้าแต่รวมไปถึงพระธรรมพระสงฆ์ด้วยแต่อิติปิโสร้อยจบร้อยแปดจบเนี่ยดูเหมือนกับว่าสวดถึงแต่พระพุทธเจ้าเป็นรัตนะเดียวเท่านั้นค่ะอ๋ออิติปิโสนี่คือ คือเขาไม่ได้ไปถึงสุปฏิปันโนใช่ไหมเอาแค่จบที่แค่พุทโธใช่ค่ะเขาเขาสวดแค่บทสรรเสริญออพระพุทธเจ้าก็คืออิติปิโสอืม ก, ก็ก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะจะคือจุดประสงค์ของการการสวดมนต์เนี่ยคือการสาธยายมนต์เนี่ยนะจุดประสงค์เนี่ยก็คือว่าเพื่อจําสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ได้ค่ะสองเราก็เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องเข้าใจความหมายในในคําที่เราพูดเราสวดตรงนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าคุณสวดอิติปิโสแล้ว คุณระลึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆอันนี้ก็ก็ดีเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็การที่เราสวดสวากขาโตด้วยแล้วก็สูปฏิปโนโ ด, ด้วยอันนี้ก็คือครบเป็นไตรสรนคมอันนั้นก็ก็ดีก็ไม่มีปัญหาค่ะดิฉันก็ต่อไปคล้ายๆกับท่านเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าดิฉันตอบไปอย่างนี้ค่าว่าไม่เป็นไรหรอกสวดอิติปิโสเนี่ยจะว่าไปนะสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันได้พระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ของท่านด้วย เพราะว่าดิฉันสังเกตว่าพระุทธองค์จะได้ตรัสในลักษณะที่คุณสมบัติของท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองอแล้วก็สามารถจําแนกทำตรัสรู้ธรรมอันเป็นธรรมที่มีค่าแล้วก็สามารถจําแนกธรรมเนี่ยสั่งสอนศาสตร์ยังไม่มีประมาณใช่ใช่สิ่งที่ต้องคนระวังในการการสวดแต่สิ่งที่ต้องควรระวังคือคือคิดว่าสวดมนต์แล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยได้เป็นผู้ปฏิบัติ ดยข้อปฏิบัติอันยิ่งแล้วด้วยอาการแห่งเพียงการสวดเนี่ยอันนี้เป็นความคิดที่ผิดต้องระวัง oh, ะะอ๋อหล่ะค่ะอ่าใช่คิดว่าเราปฏิบัติทำแล้วคว่าแค่สวดเนี่ยเดี๋ยวได้ด้วยข้อปฏิบัติอันยิ่งอันนี้เป็นความคิดที่ผิดอ๋อเลือกไม่ได้เหรอคะฉันยังเข้าใจว่าเอาใครอยากปฏิบัตินั่งสมาธิก็ว่ากันไปใครถนัดสวดมนต์ตรงนี้<ก>ไงไคือบางคนสวดแล้วจิตใจมันมันวุ่นวายสวดแล้ว<ะ>มันมีนิวรจิตใจไม่สงบแล้วตัวองก็ไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่ปากขยับ แล้วก็จำได้ปากกยับดูตามหนังสือบ้างก็แค่นี้คิดว่าเออสวดมนต์แล้วคิดว่าได้ทำบุญละมันไม่ใช่แค่นั้นเพราะมันยังไม่ยิ่งไงด้วย<ถ>ข้อปฏิบัติอันยิ่งก็คือทำจิตให้มันสงบได้อ น, นี้สามารถทำได้อ๋อค่ะงั้นถ้าบางคนบอกว่าเนี่ยนะตั้งแต่สวดมนต์มานะใจเย็นขึ้นเหมือนกับเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยน่าจะมีสมาธิจากการสวดมากขึ้นเพราะว่าเวลาสวด ไม่ต้องใช้นับลูกประคำแต่ว่าตั้งจิตอย่างแน่วแน่อยู่กับการนับนิ้วเนี่ยอันนี้ก็ก็คือว่าได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ที่ที่พระพุทธเจ้าเตือนในที่นี้ก็คือหมายว่าด้วยอาการแห่งการสวดสวดมนต์เฉพาะอาการตรงนี้แล้วคุณคิดว่าคุณได้ปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่มันอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตด้วยสําคัญค่ะก็คือจะต้องเข้าใจใจะต้องเกิดสมาธิอ่าแล้วข้อที่สองนีคือบางคนเนี่ย ก็สาธยายหรือว่าสวดมนต์จนเป็นเหตุให้วันคืนเนี่ยล่วงไปนะโดย <c oughs> ไม่ประกอบการสงบในใจไม่ปฏิบัติหลีกเล่นชื่อว่ายังไม่เป็นผู้อยู่ด้วยธรรมนั่นะก็คือคล้ายๆกับลักษณะข้อแรกอ่ะฝึกสวดซ้อมสวดจําจําไม่ได้ก็เครียดแต่ว่าแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปหลีกเล่นแต่มาคลุกคลีกันเพื่อที่จะเรียนมนต์เรียนคําสวดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมค่ะ <c oughs> ทีนี้เดี๋วนี้มีอย่างนี้นะคะก็ทุกคนดิฉันคิดว่ามีจิตใจดีในในเราทำดีแล้วเราก็อยากเผื่อแผ่พอสวสดจบปุ๊บ ก, ก็ขึ้นไลน์เลยวันนี้สวดดีทีวีโซแล้วร้อยแปดจบขอมอบให้กับคนนั้นคนนี้ค่ะหมายถึงขึ้นไลน์นี่มันเกี่ยวอะไรกับสวดมดนตะ์นะน้มาไม่ค่อยเข้าใจคือหมายความว่าพอตัวเองสวสดเสร็จแล้วก็อยากจะทัดเชื่อว่าได้บุญใช่ไมคะก็จะแบ่งบุญให้เพื่อนนะคะคแบ่งทางไลน์กันนะคะ <laughs> เออแจ้งข่าวว่าเราได้ทําความดีผ่ า, านทางโซเชียลมีเดียอย่างนี้ใช่ไหมค่ะโอเคได้ก็ก็ดีเป็นสิ่งที่ให้คุณหนิงเขาอนุโมทนาอือได้อะไรคะเอ่อได้ความสบายใจของเราเนี่ยจากการที่เราได้กระทําการสวดมนต์คือทีนี้ถ้าบอกว่าเราสวดแล้วเราทําความดีเนี่ยนะแล้วเราคิดว่าเราทําความดีเนี่ยอันนี้ดีนะอันนี้ดีทีนี้ว่า ถ้าเราคิดว่าเราทาความดีแล้วคนอื่นไม่ได้ทำเท่าเราก็อด่นไม่ดีเท่าเราแล้วเราส่งไปเนี่ยด้วยจิตที่ว่าฉันจะยกตนข่มเขาอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ดีนะเป็นอสัพ บ, บริสธรรมอสัพ บ, บริสธรรมหมายถึงธรรมะของคนไม่ดีธรรมะของอสัพ บ, บรุษแต่ก็ไม่ได้ไปพูดข่มใครคิดในใจเท่านั้นเองว่า อให้เขาได้บุญด้วยอันนี้ก็ดีนะนนี้ค่ะไม่ใช่ค่ะคิดตรงข้ามค่ะคิดว่าโอ้อย่างฉันน่าจแน่ก็เธออ่านี้ไม่ได้ชินใจนะคะเพราะว่าฉันสวดมนต์ทุกวันวันละมากๆสวดแล้วมีสมาธิด้วยเจ๋งไม่ไม่ถูกเลยไม่ถูกไม่ถูกแม้แต่ความคิดอันนี้เป็นธรรมะของอาศัยบุตรเป็นของคนไม่ดีค่ะก็คือถ้าเราต้องแยกแยะให้ชัดเจนนะคุณหยมติยวว่าการสวดเนี่ยดี เนี่ยเก็คุณจําได้ทำํำใจเป็นสมาธิอันนี้ดีแน่อนอนแต่ไอ้ส่วนความคิดที่ว่าฉันยกตนข่มเขาฉันดีกว่าเขาฉันได้ตรงนี้เธอไม่ได้เนี่ยไอ้ความคิดที่ว่าฉันได้แล้วเธอไม่ได้และฉันดีกว่าเธออันนี้ความคิดตรงนี้ไม่ดีค่ะต้องแยกแยะ ก, ก, กันเป็นส่วนๆไปค่ะทีนี้ดิฉันเองก็ได้กราบเรียนถามท่านโดยระบุเจาะจงถึงบทสวดว่ามีคําถามถึงบทนี้แต่ดิฉันเนี่ยอยากจะกราบเรียนถามท่านต่อนะคะว่า และจริงๆนะคะถ้าในบรรดาบทสวดมนต์ที่มีอยู่เยอะเพราะเพื่อนคนหนึ่งของดิฉันก็จะบอกว่าเนี่ยสมมุติว่าสวดอย่างที่ได้กราบเรียนท่านไปแล้วใช่ไหมคะมมวันหนึ่งก็มีคนส่งบทสวดมาใหม่อีกก็พยายามสวดอันนี้อีกแล้วก็วันหนึ่งก็พยายามสวดบทนี้อีกเพราะมีคนส่งมาให้ก็เห็นว่าดิฉันกําลังเป็นห่วงอะค่ะว่าเอเยอะไปหรือเปล่าแ ล, แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าถ้าท่านจะเลือกให้คะ่ะพระอาจารย์จะเลือกให้อเอาเอาที่อาราสวดดีไหมท่านคิดว่าสวดอะไรดีก็เพียงพอแล้วเอาที่อารามสวดน ะ, ะอารามาก็จะเริ่มที่นโมตส่าเนี่ยคือแสดงความนอบน้อมนโมตส่าเนี่ยเป็นสักคาถาแสดงความนอบน้อมต่อใกลต่อพระผู้มีพระภาคเราเราแสดงความนอบน้อมจิตใจของคนที่มีธรรมะเนี่ยเป็นใจิตใจที่อ่อนเป็นจิตใจใที่น้อมโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อารามซ้ำสามรอบนโมตส่าสามรอบ คือ <นะ S 1> หมายถึงว่าต้องสวดเต็มใช่ไหมคะพระกว่าโตอรหะโตสมมาสมพุทธศาสตร์ค่ะแล้วก็เข้าใจความหมายไปด้วยนะทําจิตใจให้น้อมลงไปค <c oughs> ่ะเนี่ยข้อที่อันที่สองอรหังก็จะเริ่มที่อิติปิโสพระกว่าอารหังสมมาสมพุทโธไม่ต้องไม่ต้องอรหังสมมาสมพุทโธแล้วก็สวาขาโตสุปฏิปันโนนะคะทั้งสอันก็จะเริ่มตรงนี้บแบบย่อค่ะคือมือนกัว่าอารหังสมมาสมพถถมุทโธพระกว า, าพุทังภระควรตังอะิวะเทมอ๋อไม่ไม่ได้ทําไม่ได้ทำอ๋อค่ะเพราะว่านี้คือคือทํามาตั้งแต่ อไม่ได้ทําไม่ได้ตามอะดมาไม่ได้ทําค่ะอแต่คือในโอกาสอื่นเช่นอ่าสวดปฏิโมกข์อันนี้บางทีทําอยู่นะแต่ว่าถ้าถ้าสวดส่วนตัวเองจะไม่ได้ทำนะก็พอนัมโมตะสะปุ๊บกับอิทิปิโสค่ะอิทิปิโสแล้วก็สวาขาตัวแล้วก็สู่ปฏิปันโนอ๋อบทสันเสริญพุทโธธรรมโมสังโฆใช่ใ่เสร็จแล้วเรามาก็จะเริ่มที่ธรรมะจักกรบวัตตนสูตรโอ้โบทที่ยาวเลยนะคะอ่าก็เปิดหนังสือเอาไม่มีปัญหาเปิดหนังสือเอา ค่ะเ อ, อทําไมท่านเลือกบทนี้คะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นการเทศกันแรกที่พระพุทธเจ้าเทศค่ะสองพอจบนี้เสร็จอันนี้ก็ตามด้วยอนัตตลักกนสูตรเพราะอะไรเพราะอันนี้เป็นการเทศกันที่สองที่พระพุทธเจ้าเทศอันนี้มันหัวใจนะคุณยมเตียวคือมันเป็นอริยสัจสี่มันเป็นตรัยลักอยู่ตรงนั้นค่ะบทที่สองคือถ้าอนตัอนตนตลักกนสูตรอนาบทแรกเนี่ยทําให้ มีพุโทโธธรรมโอสังโฆขึ้นค่ะนนี่คือธรรมจกรักรปวตนสูตรที่ท่านอัญญาโกัญญะเป็นได้ไดเป็นผู้รู้แล้วลขอบวชในธรรมะวิไหนนี้แล้วอนตัตตลกนาสูตรนี้ก็ทําให้มีพระอาหารหันเกิดขึ้นหกองค์ในโลกพระอาหารหันเกิดขึ้นหลังจากอนตัตตลกนาสูตรพระธรรมจึงเห็นว่าสองบทนี้สําคัญค่ะพระพุทธเจ้าแสดงในคราวดเดียวกันไหมคะอต่างกันรู้สึกห่างกันสองสาวันนี่แหละอ๋อค่ะ โดยแสดงธรรมจักรกับวัฒตนสูตรก่อนสาระสําคัญของธรรมจักรกับวัตตนสูตรที่ท่านว่าทําให้เกิดพุทโธธรรมโมสังโฆนั้นเป็นเช่นไรคะคืออริยสัจสี่คือทางสายกลางอ๋อค่ะแล้วก็พอมาถึงอนัตตลกนัสูตรก็คือความเป็นอนัตตาค่ะมันมันหัวใจจริงๆแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยความเป็นอนัตตาคือเอ่อคือความที่เป็นเป็นกองไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนงจากเป็นอนัตตาเป็นกองที่เราจะไปยึดถือเป็นตัวตนไม่ได้ ไม่เที่ยงเป็นทุกสามารถหาได้ที่ไหนขบทสวดเหล่านี้โอในไลน์เขาส่งกันไหมแต่สมมติว่าถ้าไม่มีก็เสิร์ชหาจาก Google ได้อินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะได้ใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าสวดก็ควรจะเข้าใจด้วยไหมคะอหรือสวดชวาบาลีไปก็ได้คือส่วนตัวมาเองสวดชวาบาลีแล้วก็มันจะมีคำแปลอยู่แล้วคำแปลก็คือจะมาเข้าใจภาษาบาลีอยู่แล้วนะก็จะเข้าใจคําแปลคือยังไงเราต้องเข้าใจคําแปลแน่นอนต้องเข้าใจ ต้องเข้าใจก่อนต้องเข้าใจด้วยต้องเข้าใจด้วยใช่ทีนี้บางทีสวดไปแรกๆเปน็นนกแก้วนุกุณทองอยังไม่เข้าใจก็ก็ทําไปก่อนค่ะอทําไปก่อนแล้วก็พยายามที่มาจะเข้าใจความในวรรคอื่นๆก็ไดค้ค่อยๆทำไปถ้าสวดครบทั้งหมดนี่ใช้เวลาสักเท่าไหร่คะประมาณสีิบห้านาทีสี่สิบห้านาทีใช่ค่ะอนโมตัตสะธรรมจักกัปวัตตนสูตรอนัตตลัณสูตรรวมแล้วใช้เวลาประมาณสี่สิบห้านาทีสี่ห้านาทีนี้คือสวดช้าๆไปนะ เร็ช้าไปถ้าถ้าธรรมดาก็คงจะประมาณ4ี่สิบนาทีค่ะแล้วมีคำย่อไหมครับเพราะบางทีดิฉันเคยเห็นคนรุ่นเก่าๆนะคะเขาก็จะมีอย่างเช่นอิติปิโสสวารคาโตสุปฏิปันโนเนี่ยท่านก็จะย่อเฉพาะท่อนหัวสองพยางเช่นหรือหนึ่งพยางนะคะไม่มีอิสวาสุ <laughs> อย่างเงี้ย <laughs> ไม่มี <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> แล้วก็กลางตำราสวดได้อย่างที่ท่านบอกใช่ใช่ค่ะแต่ที่สาคัญ คือสวดแล้วต้องรู้ว่าความหมายของบทสวดนั้นๆเป็นอย่างไรสวดมากๆเข้าเนี่ยเมื่อจะทําให้เราเกิดความเปลียปล่ยนแปลงอะไรคะสมมุติเราเกิดความความเข้าใจในคําแปลออจะทําให้หนึ่งนะเรามีธรรมะอยู่ในใจอยู่แล้วเราจับได้ใช่ไหมเดี๋ยวพอ <c oughs> จังหวะที่มันมีความจําเป็นต้องใช่มันเหมือนทหารมีอาวุธอยู่กู้กายควักออกมาได้ทันทีปัจุดที่เรามีภาษาที่เราไม่น่านพอใจ เช่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งพวาะเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งมาปุ๊บเวทนาอนัตตามันจะเว่าวมาเลยะะเวทนาเป็นอนัตตานะมันไม่เที่ยงอ่ามันยังไงเนี่ยเราจะไปยึดถือมันได้งไงวางซะนั่นคํานี้มันจะปรากฏขึ้นจิตใจของคนที่มีเพราะมีสุตตะ อ, อยู่ในใจค่ะทำหนองในการสวดเหรอคะท่านอก็ก็หมายความว่าแมามันแล้วแต่ประเทศอย่งนะี้ประเทศไทยก็จะสวดแบบนี้ถ้าพระลังกาก็จะอีกแบบหนึง่ง พะที่เบก็จะเป็นแบบหนึ่งคือเราก็ลองลองฟังฟังดูอ่ะอมาว่าแล้วก็<ช>ถ้าอยู่เมืองไทยอาจจะฟังเทพฟังอะไรเขาสวดยังไงเราก็สวดตามไปก่อนอย่างเงี้นะนะคะวันนี้สงสัยจะได้แค่นี้ก่อนนะคะเพระดูเวล า, าลแล้วก็มาถึงจุดที่เราจะต้องกราบลาพระอาจารย์พอดีเลยเได้ความรู้หลายเรื่องเลยนะคะกราบนมัส ก, การขอบพระคุณพระมหาภบยบุญอภิปุณโวั์ป่าดอนไฮโซอุดรธานีเป็นอย่างยิ่งค่ะนมัสการค่ะ เ่อนฟังที่เคารพค่ะรายการ ส, ารสัสนิษฐานาวันนี้ก็ว่ากันเรื่องทั่วๆไปเรื่องเบาๆแต่จะว่าไปแล้วพอท่านอาจารย์ตอบเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะเป็นเรื่องที่ให้ความรู้มากเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยการเกี่ยวข้องกับสมณะเนี่ยต้องเกี่ยวข้องอยู่แล้วหรือว่าเราเป็นชาวพุทธการสวดมนต์เนี่ยเป็นกิจที่ชาวพุทธคิดว่าพึงกระทําอยู่แล้วก็กระทํากันให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง เพื่อที่จะได้ทําให้ประสงค์นั้นท่านสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ง่ายขึ้นถูกต้องตามวินยัยแล้วก็เพื่อที่จะทําให้ตัวเราเองนั้นได้รับความรู้ความเข้าใจอันจะนํามาสู่การเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านาเรามาติดตามรับฟังรายการกันไม่ใหม่นะคะในการสนทนาระหว่างดิฉันแล้วก็พระมหาภัยบุญอภิปุณโณ ในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106นะคะวันนี้ดิฉันสันสนีลาไปก่อนคะ่ะพูดทวนสวัสดีคะ่ะ